พวกรถตู้เชียงใหม่ยกมือหน่อยสิยกเลยใจอย่างฟุ้งนะใจอย่างฟุ้งส่านอย่างสมาธิเป็นเรื่องสำคัญสมาธิที่ดีนะถ้ามีชาสมาธินะไม่ควรทำ นี่ส่วนใหญ่ที่เขาทำสมาธิมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิซะเกือบหมดเลยเอแยกแยะไม่ออกถ้าตั้งเปาว่าต้องสงบนะจะไปมิจฉาสมาธิง่ายถ้าตั้งเปาว่าเราจะรู้ตัวมีสติอยู่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานเราจะได้สมาธิที่ดี ขาดสติเมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิมานั้นอย่างเรานั่งสมาธิเราก็เคลิมลืมเนื้ลืมตัวเลยนั่งเราก็เครียดเนี้ยสุดโตงกันนั่งเราเคลิมขาดสตินั่งเราเครียดในขณะนั้นมีโทสะจิตไม่ได้เป็นกุศลนั้นไม่มีสติแน่นอน ยนงสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิบางพวกก็นั่งสมาธินะแล้วก็ตามนิมิตออกไปข้างนอกอย่างนั่งแล้วมเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วส่งจิตตามแสงไปอันนี้เที่ยวรู้เที่ยวเห็นของข้างนอกไม่ดีเลย แทนที่จะย้อนมาที่กายที่ใจตัวเองนะี่สมาธิที่มันทิ้งกายทิ้งใจตัวเองไปไม่ดีหรอกเอามาเดินปัญญาไม่ได้นี่สมาธิที่ดีต้องประกอบด้วยสติเลือกอารมณ์กรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราพอใจแล้วก็น้อมจิต ไปอยู่ในอารมณ์นั้นยังมีความสุขเนี้ยเราจะได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารมณูปนิชานเน้นที่ตัวอารมณ์เน้นที่ตัวอารมณ์เรียกอารมณูปนิชานอารมะคืออารมณ์เอาไว้ทําสมถะเอาไวพ้พักผ่อนอย่างเวลาที่เราเดินปัญญามากๆใจมันฟุ้งซ่านใจมันเหน็ดเหนื่อย จะต้องทำอารามณูปนิชานต้องฉลาดในการทำสมาธิความฉลาดขั้นต้นก็คือรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำสมาธิชนิดไหนแต่มิจฉาสมาธิไม่เอานะอารามณูปนิชานเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเคล็ดลับในการจะสร้างอารามณูปนิชาน ก็คือใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาใจที่สบายๆนี่แหละไปรู้อารมณ์สักอย่างหนึ่งแต่ต้องรู้จักเลือกอารมณ์นั้นต้องมีความสุขมีความสบายใจนะอย่างเราพุโทโธแล้วเราสบายใจเราก็พุโทโธถ้าพุทโธแล้วอ่นอาดลำคานใจเราก็ไม่เอาไปเลือกเอาที่สบายใจ อย่งหลวงตามหาบวัวท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ใค่นะี้เพราะหลวงตาท่านถนัดบริกรรมพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบนี่พอท่านสอนหลวงพ่อกางี้หลวงพ่อก็มาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะใจมันไม่เอาใจมันไม่ชอบมันรู้สึกว่าคิดเอาทั้งนั้นเลย ฟุงสซ่านมันเหมากับท่านถ้ามันไม่ได้หมอกับเราหลวงพ่อก็เปลี่ยนเลยนะจับหลักได้แล้วท่านบอกให้พุโทโธเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วหลวงพ่อมาทําอานาปนานสติหายใจเข้าหายใจออกนะมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ก็ใส่พุโทโธลงไปด้วยเพราะตอนเด็กๆครูบาอาจารย์หรือท่านพ่อรีสอนห้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทก็ทําบ้าง ทำอยู่งั้นหายใจเข้าพดใหายใจออกโธมีลมหายใจเป็นตัวหลักนะพุโทโธเป็นแบ็คกล่าวใช้จิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วสบาย ร, รู้ก็รู้อย่างสบายๆเนี่ยสบายสามอันรวมกันนะจิตที่ไปรู้ก็สบายอารมณ์ที่ถูกจิตรู้ก็สบาย ระหว่างที่รู้ก็รู้อย่างสบายๆไม่เครียดไม่ใช่จ้องเอาเป็นเอาตายเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอย่างนี้จะไม่มีวันสงบเลยเพราะใจมันเครียดนะงั้นเวลาจะทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยจับหลักได้แล้วก็ฝึกสักพักหนึ่งอยากทำสมาธเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ยากสมาธคือสมาธิชนิด อารามณูปนิชานเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราเดินปัญญาเนี่ยเราจะใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชานเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะเห็นลักษณะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าลักขณูปนิชานแต่เวลาทําสมถะนะเราใช้อารามณูปนิชาน อาอารมณ์เป็นหลักลัคนูปนิชานจะดูไตรลักษณ์เป็นหลักคนละอ่านกันอารมณ์เช่นเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เนี่ยนี้ร่างกายเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้แล้วถ้าจะใช้ลัคนูปนิชานจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างรวดเร็ว ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราหรอกนะสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกว่าอาระมะอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะจิตแปลว่าผู้รู้อารมณ์สองอันนี้จะต้องเกิดร่วมกันเสมอมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตจะอยู่เดียวเดี่ยวไม่ได้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ จิตคือผู้ที่รู้อารมณ์สิ่งที่เป็นอารมณ์เนี่ยมีหลายอย่างนะเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าเรานเรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์เรื่องอารมณ์บัญญตัติอย่างพุโทโธก็เป็นอารมณ์บัญญัติเนัตัวพุโทโธจริงๆเอาไปทำหิปัสนาไม่ได้นะแต่ว่าเราพุโทโธแล้วเราสังเกตจิตเราเราใช้จิตเป็นอารมณ์ในการทำมิปัสนานี่ยทาได้ อารมณ์อันแรกคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดไม่มีจริงไม่มีใจลักคิดยังไงก็ได้อันที่สองคืออารมณ์ที่เป็นรู ป, ปรธรรมอย่างร่างกายหรือการหายใจเป็นเรื่องของรู ป, ปรธรรมการยืนเดินนั่งนอ น, นเป็นรู ป, ปรธรรมก็ดูอย่างนี้นอารมณ์ที่เป็นนามนธรรมมีสองส่วนคือจิตกับเจตสิกตัวเจตสิกคือ ความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดร่วมกับจิตสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตดีชั่วอย่างโลภโกรธหลงทั้งหลายอันนี้เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตอันนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าได้เป็นนามธรรม อารมณ์ที่เป็นนามนธรรมที่จิตไปรู้เข้านี่ตัวจิตละ่ะทั้งเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่านามนี่มีสองส่วนนามจิตกับนามเจตสิกนามจิตนะใครเป็นคนรู้ก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้แต่เวลาเราจะรู้จิตเนี่ยเราจะรู้จิตดวงที่ดับไปแล้วเป็นอารมณ์มีจิตดวงปัจจุบันรู้จิตดวงที่เพิ่งดับไปสดๆร้นอนๆเป็นอารมณ์ อย่างจิตโกรธเกิดขึ้นในขณะที่จิตโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูจิตไม่ได้เพราะขณะนั้นจิตเป็นอกุศลสติไม่มีเราขาดเครื่องมือที่จะดูจิตตัวเองนี่เราเคยฝึกหัดรู้สภาวะจนชำนิชนานาญความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้พอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตมันจำลักษณะของความโกรธได้สติจะเกิดอัตโนมัติในขณะที่สติเกิดเนี่ย จิตที่มีโทสะจะดับไปแล้วนะงั้นจะบอกว่าจิตเป็นคนเห็นจิตก็บอกได้นะจิตดวงปัจจุบันเห็นจิตดวงในอดีตที่ดับไปแล้วนะแต่ว่าจิตดวงที่ดับไปแล้วในอดีตนะีสถานะของมันตอนนี้ไม่ใช่จิตสถานะของมันเปลี่ยนเป็นตัวอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ เนี่ยมันมันละเอียดนะค่อยๆดูเมื่อกี้พูดให้ฟังแล้วอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้ทําสมถะได้ทํำวิปัสนาไม่ไดนะ้เพราะว่าไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูอันที่สองคืออารมณ์ที่เป็นรูปธรรมทํนะาสมถะก็ได้ทํำวิปัสนาก็ได้เนะี่ยไม่ใช่ว่าดูท้องพองยุบแล้วเป็นวิปัสนานะถ้าดูท้องพองยุบแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะ นะหายใจออกหายใจเข้าเราเห็นร่างกายหายใจเป็นสมถะต้องเห็นว่าร่างกายที่หายใจนีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตอาตาที่ีเป็นมิปั ส, สนาดังนะ น, นตัวรูปธรรมเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำมิปั ส, สนาก็ได้ตัวนามธรรมาก็เหมือนกันถ้าเราไปเพ่งใส่อย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเพ่งใส่ความโกรธนะเพ่งเฉย หรือความสุขเกิดขึ้นเราก็ส่งจิตไปจับว่างๆมีความสุขอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขบังคับไม่ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาดนะังั้นตัวรูปธรรมตัวนามธรรมเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้อย่านึกว่าดูจิตจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะอย่าเข้าใจผิด ดูจิตส่วนใหญ่ที่เราดูกันนะเป็นสมถะนานๆจะเกิดมีปั ส, สนาปัญญาขึ้นสักครั้งหนึ่งนะดว ด, ดูเนี่ยตัวนามน ะ, มะเจตสิกก็ถ่องถูกรู้นามจิตในอดีตก็ถูกรู้นะการเพ่งจิตในอดีตทำได้ไหมทำไม่ได้ตกจากปัจจุบันไปแล้ว จะไปเพ่งให้นิ่งๆอยู่มันกลายเป็นนั่งนึกเอานั่งนึกเอาเพราะมันดับไปแล้วมันไม่มีจริงเป็นเรื่องที่เราจำไว้ใส่สัญญาจำขึ้นมาเท่านั้นเองอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะคืออารมณ์นิพพานอารมณ์มีสี่ตัวอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรม นำมาทำแบ่งเป็นสองส่วนยือจิตเจตสิกอารมณ์ชนิดที่สี่อารมณ์นิพพานพวกเราไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นนะถึงเราจะไปท่องนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานังปรามังสุขขังก็ไม่เห็นหรอกแล้วที่เขาเห็นพระนิพพานนะก็ไม่ใช่นิพพานเห็นะ น, ะนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธรูปเยอะแยะเลยเรียงเป็นแถวเลย สมัยพระพุทธเจ้าต้องกลายเป็นพระพุทธรูปกระดุกกดิกไม่ได้นั่งนั่งเนี่ยอันนั้อน น, อนิมิตยังมีรู ป, ปรธรรมที่ปรากฏอยู่ยังมีนามรธรรมยังมีรูปมีนามอยู่ไม่ใช่นิพพานนิพพานพ้นจากรูปนามไปนี่อารมณ์มีหลายอย่างนะเราก็รู้จักเลือกถ้าเราจะทําสมถะ ใช้อารมณ์ได้ทั้งสี่อย่างแต่อันสุดท้ายอารมณ์นิพพานเนี้ยคนที่จะใช้ได้ต้องเคยเห็นคือพระยญาบุคคลพวกเราเป็นปุถุชนนะเราจะใช้นิพพานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอย่างเราพูดโทรไป คิดพิจารณาร่างกายผมควรเล็บฟันหนังอะไรอเงี้ยอันนี้จะได้สมาธิทั้งหมดได้สมถะเป็นเรื่องราวที่คิดถ้าดูรูปธรรมนะถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปธรรมมีสติรู้รูปธรรมเมื่อนั้นเป็นสมถะ ถ, ถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้รูปธรรมมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์ที่กำลังแสดงตัวอยู่ นันเป็นมิปัสสนานามธรรมก็เหมือนกันมีสติรู้นามธรรมยังมีความสุขรู้ว่าสุขเนี้ยเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นมีปัญญาประกอบนะจิตเป็นคนดูเห็นว่าความสุขไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูดูมแยกออกจากจิตไปไม่ใช่ตัวเราของเร า, าเห็นอันนั้นเป็นปัญญาก็เติมมิปัสสนา นิพพานทำสมถะได้อย่างเดียวทำวิปั ส, สนามไม่ได้เพราะไม่มีรูปนามแถมนิพพานไม่มีไตรลักษณ์ด้วยมีลักษณะอันเดียวไม่มีสามลักษณะลักษณะอันเดียวคืออนัตตลักษณะนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของดังนนนิพพานไม่มีวันเต็มพวกเราทั้งห้องเนีน้วันนี้เกิดมารู้พระ น, นิพพานพร้อมๆกันไม่ทำให้พระ น, นิพพานคับแคบเลย ไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองได้ไมันเป็นธรรมนะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำอยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับของที่เกิดที่ดับก็คือรู ป, ประธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายแต่ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีเกิดมีดับเนี่ยเราก็รู้จักอารมณ์นะถ้าเราต้องการทาสมถะเราก็น้อมจิต ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขที่เราพอใจพอใจที่พิจารณาร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ก็ใช่ไปพอใจเจะเห็นร่างกายหายใจก็ใช้ไปพอใจที่จะขยับมือแล้วมีความสุขก็ใช้ไปะสายหลวงพ่ะเทียนก็ขยับมือนะดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูไปสิ่งที่ได้คือสมถะนะ นี่ถ้าจะต่อขึ้นวิปัสสนาต้องพัฒนาสมาธิชนิดลักหนูปณิชฌาขึ้นมาอารมันูปณิชฌาสมาธิที่ใช้ทําความสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถ้ามีอารมณ์เยอะแยะเลยจิตไม่สงบนะเดี๋ยวก็ใช้รูปเป็นอารมณ์เดี๋ยวใช้เสียงเป็นอารมณ์เดี๋ยวใช้กลิ่นเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยทําสมถะไม่ได้ จิตจะมีสมถะได้นะมีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนะอยู่ด้วยกันสงบสบายไม่ต้องคิดนึกอะไรอยู่สบายๆได้พักผ่อนเป็นของจําเป็นหนึ่งกันนะอเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยจิตมันจะเหนื่อยมันจะฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไม่มีเรื่องมีแรงนะทําสมถะการชาร์จพลังให้จิตจิตก็มีแรงขึ้นมาพอจิตมีกําลังขึ้นมานะ ปรับสมาธิจากอารมณโอนปนิชานขึ้นสู่รักขณูปนิชานวิธีปรับทำยังไงมีเห็นจะยากเลยเราทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นพระเอกเอาจิตเป็นนางเอกไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นนางเอกหรือเป็นพระเอกอย่าถ้าเราจะทำอารมณ์อนุปนิชานทำสมถนะเราใช้อารมณ์เป็นตัวเอก น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะแต่ถ้าจะทำรักขณูปนิชานีใช้จิตเป็นตัวเอกมีอารมณ์เป็นเหยื่อล่อจิตนะเช่นพุโทโธหายใจอะไรก็ได้พองยุบก็ได้ขนะยับมือก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เคยทำนั่นแหละเรารู้ทันรู้ทันจิตเช่นเราพุโทโธพุโทโธอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทัน พุโทโธอยู่จิตไหลไปอยู่กับพุโทโธนิ่งนิ่งอยู่กับพุโทโธรู้ทันเคยรู้ทันจิตไหมทันทีที่รู้ทันจิตนะจิตจะตั้งมั่นดีดผางขึ้นมาอัตโนมัติเลยหรือเรารู้หายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแต่ไม่ได้ไปให้ความสำคัญที่ตัวลมหายใจหายใจไปอย่างนั้นแหละแล้วสังเกตที่จิตตนเองหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน ให้ใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันห้ใจแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้จิตที่ตั้งมัน่นจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ใช่จงใจทําให้ไม่เคลื่อนนะถ้าเราจงใจทําจิตไม่เคลื่อนนจิตจะแน่นเนี่ยเพ่งไว้เฉยๆ อ, อึดอัดใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้เลย ยิ่งเราอยากได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสมาธิที่เป็นลักขนงปณิชฌานเนี่ยทำกรรมฐานใช้อันเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นหลักนะทำกรรมฐานอย่างพุโทโธจิตวิ่งไปอยู่กับพุโทโธก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนี่บางคนมองจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ออกจะทำไงก็ซ้อมเคลื่อนวิธีซ้อมเคลื่อนก็คือจงใจ ลองนึกถึงผมของตัวเองสิลองนึกถึงเส้นผมเอามือช่วยจับดูก็ได้จับจับเวลาจิตมันคอนเซนเทรตไปที่ผมเนี่ยจิตไปอยู่ที่ผมแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วอ๋อตอนเนี้ยจิตอยู่ที่ผมแล้วเปลี่ยนจิตมาอยู่ที่หูนี่ล้วเนี่ยจิตเป็นตัวความรับรู้รับรู้เนี่ยสัมผัสอยู่ที่เนี่ยจิตมารับรู้อยู่ตรงนี้จิตมารับรู้ตรงนี้นะ จิตมารับรู้อยู่นี้จิตมารับรู้อยู่นี้นะเนี่ยไล่ลงไปในร่างกายนะหรือไล่ห่างๆเลยก็ได้จากผมนั่งกระโดดลงไปเท้าเลยก็ได้นะไม่ต้องไล่ตามลาดับฝึกเล่นอย่างเนี้ยต่อไปพอจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมเราก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่หูเราก็รู้จิตแอบไปคิดเราก็รู้นะคอยหัดสังเกตสภาวะที่จิตเคลื่อนไปเรื่อยๆ ทีแรกสังเกตไม่ออกก็จงใจเคลื่อนเคลื่อนมันอยู่ในร่างกายอย่าไปเคลื่อนออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวเห็นผีสางเทวดาอะไรยุ่งกันใหญนะ่เคลื่อนอยู่ในกายนี่แหละแล้วก็ตอนเนี้ยจิตมาอยู่ที่ข้อศอกซ้ายแล้วนะคอนเซนเทรตลงมานะจิตก็จะมาอยู่ตรงนี้ไล่อย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเคลื่อนไปที่ไหนก็จะเห็นหมดเลยอย่างเวลาพวกเรา ฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตชอบเคลื่อนมาหาหลวงพ่อดีว่าหลวงพ่อไม่สนใจนะงั้นเหมือนหลวงพ่อเป็นทางขยาใบใหญ่เลยไม่ใด่ดูถูกนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจิจิตของเรายังโสมกโปะมอมแมมอยู่เนะต็ไมไปด้วยกิเลสนนะมื่อจ้องใส่หลวงพ่ออนะไรเงี้ยแตไ่ไม่ถึงหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่เอามาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปไปฝึกนะ รู้อย่างว่าจะฝึกสมาธิทำยังไงบ้างถ้าต้องการความสงบมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายรู้ไปอย่างสบายๆา ย, ยารู้ด้วยความโลภนะรู้แล้วก็แหมเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบเนี่ยรู้แบบไม่สบายแล้วใจไม่สงบถ้ารู้อย่างสบายสงบทันทีเลยอยู่ที่ความชำนาญของเรา ใช้จิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขสงบทันทีแล้วถ้าต้องการจิตตั้งมั่นเนี่ยทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่เอาจิตเป็นพระเอกจิตเคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้รู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติถ้าไมรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติพระจิตที่เคลื่อนคือจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านคือจิต ท, ที่มีโมหนะชนิดอุดทธัจจะฟุ้งซ่านดงั้นทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะี่สติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นดังั้นโมหะดับไปแล้วความฟุ้งซ่านดับจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดเกิดตรงนั้นเลยตรงที่ไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละง่ายๆแค่นี้แหละสมาธิต้องคิดมากนะคิดมากยากนานค่อยๆฝึกไป เวลาดูจิตนะห้ดูให้เป็นสมถะให้ดูที่จิตปัจจุบันเพ่งอยู่กับจิตปัจจุบันรู้ตัวเฉยอย่ในอดีตมันไม่มีนะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความคิดถึงอดีตจิตในอดีตมันไม่มีจริงนะเราเพ่งจิตในปัจจุบัน อย่นี้ได้สมาธิเวลาที่พวกเราดูจิตดูจิตนะจิตมันจะพลิกระหว่างสมสถะกับวิปั ส, สนาเป็นระยะระยะไม่มีใครดูจิตแล้วทำวิปั ส, สนาตลอดเวลาไม่มีคล้าบอกเลยว่าไม่มีหลวงพ่อเคยทำมีเมื่อวันที่ยี่สิบสามกันยาปีสองห้ายัจำได้ด้วย นั่งสมาธิอยู่เห็นใจเป็นกังวลเนี่ยความรู้สึกกังวลใจเกิดขึ้นว่าถูกฝนถูกฝนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเป็นบัดแล้วกังวลว่าเดี๋ยวต้องเป็นบัตรอีกแล้วพอกังวลแล้วสติระลึกรู้ความกังวลที่เกิดขึ้นจิตกังวลเนี่ยดับตัวเนี้ยทำอิปัสสนาอยู่พอดับวูบลงไปเท่านะั้นจิตรวมเลย ฟ้ากาลังผ่าพายุกลังมาเนี่ยลกกระทา น, นี่หายไปเลยไม่มีฟ้าผ่าไม่มีพายุฟ้าขนองอะไรทั้งสิ้นเลยกุฏิที่นั่งอยู่ก็หายไปร่างกายนี้ก็หายไปเหลือที่จิตดวงเดียวอยู่เขาไปเล่าถวายหลวงปู่ดูลนะบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่น่าเห็นความกังวลใจมันดับปุ๊บ จิตมันก็นิ่งๆเคลิมเคลิมลงไปหลวงปู่ก็บอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่หลวงปู่ครับตอนนั้นผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมจะเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนะจะได้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็เหมือนที่ดูท้องพองยุบนั่นแหละกลายเป็นสมาธิอัตโนมัติไปหมดนะ มันไม่ได้ปัญญาเท่าไหร่ปัญญา้นานจะเกิดทีหนึ่งเนะยค่อยๆภาวนาไปงันอย่างเราดูจิตเนถ้าต้องการให้จิตสงบนะดูจิตดวงปัจจุบันจิตดวงปัจจุบันบางทีก็อยู่ในความว่างทีอยู่ที่ตัวจิตเองถ้าใช้ตัวจิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะมันจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะตัวนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะ ถ้าจะดูจิตปัจจุบันนะจิตปัจจุบันอยู่ในความว่างดูที่ความว่างความว่างเป็นอารมณ์ของจิตปัจจุบันนะี่ยตัวนี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะแล้วถ้าย้อนกลับมาดูตัวผู้รู้ตัวจิตทิ้งตัวว่างที่เป็นตัวอารมณ์กลับมาที่ตัวจิตก็ะจะเป็นสมถะชนิดที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะถ้าทิ้งตัวจิตด้วยนะ ตัวตัวอารมณ์ว่างเนี่ยเราทิ้งไปก่อนแล้วแล้วมาทิ้งตัวจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์ว่างอีกตัวนึงก็จิตเจบเข้าไปสู่อาจินจัญญายาตนะไม่จับอะไรเลยนะจับความไม่มีอะไรเลยอยู่ตรงนั้นเราถัดจากนั้นเนี่ยสักช่วงหนึ่งเนวสัญญาเขาจะเกิดขึ้นจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่ละเอียดมากในที่สุดตัวสัญญาตัวอะไรพวกนี้จะอ่อนตัวลง มันจะเหมือนเคลิมนะแต่ไม่ได้หลับคล้ายๆเคลิมแต่ไม่หลับไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรหรอกนะแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นพระอิยะบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตสามารถเจริญวิปัสนาในเนวสัญญาณสัญญาญตนะไดนะ้มีเงื่อนไขนะต้องเป็นพระอิญบุคคลต้องชำนาญในการดูจิตต้องมีวสีในฌานองค์ประกอบสามอย่างเนี้ย จะเดินมีปั ส, สนาในในวัสัญญาฌานที่สูงที่สุดนทําได้ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นสงบนิ่งเฉยเฉยอยู่ธรรมะเป็นของประณี t นะของละเอียดอ่อนค่อยๆฝึกสิ่งที่เราควรจะฝึกวันนี้ก็คืออากรรมฐานที่เรารู้แล้วสบายใจสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ให้กันบ้านแล้วนะอากรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองอยู่แล้วไม่เครียดแล้วก็ ต้องการความสงบเนี่ยก็เอาอารมณ์กรรมาฐานให้เป็นตัวหลักให้ความสําคัญให้ความสนใจที่ตัวอารมณ์กรรมาฐานเราสนใจอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเนี่ยจิตมันจะเข้าไปจับตัวอารมณ์นั่นเองอย่าจงใจให้มันเข้าไปจับนะจงใจแล้วมันเครียดไม่ได้เรื่องนะแค่เนี้ยแป๊บเดียวนะั้นจิตก็จะสงบลนะได้เร็วได้แรงขึ้นมานะถ้าเราจะทํำมิปัสนะเราก็ใช้อารมณ์กรรมาฐานนั้นเดิมแหละ แต่แทนที่จะไปสนใจที่ตัวอารมณ์เนี่ยให้คอยรู้ทันจิตไหมจิตเคลื่อนเข้าไปเนี่อรู้จิตเคลื่อนเข้าไปรู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ถ้าอย่างนี้นะไม่นานก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นเนี่ยลักษณะเด่นของมันนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ ม, มีหกตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตะมารมณนะ์มีจิตที่เป็นคนรู้มีจิตเป็นหนึ่งที่เป็นคนรู้อยู่ แต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเราถึงทํำวิปั ส, สนาได้แล้วตัวจิต ท, ที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยก็เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพง่ตงตัวเนี้ยถ้าเราดูตรงนี้เป็นนะตัวจิตผู้รู้ก็ทํำวิปั ส, สนาได้ใช้จิตผู้รู้เป็นอารมณ์ของวิปั ส, สนาได้ถ้าอยู่ในสติปัฏฐานก็คือคำว่า จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตไม่มีโมหะจิตที่เป็นผู้หลงมีโมหนะนะก็อยู่ในสติปัฏฐานนั่นเองค่อยๆเรียนไปนะกรรมฐานเนี่ยเรียนที่ตัวเองสนใจเรื่องข้างนอกให้น้อยอย่าเอาโลกมาเป็นภาระกระจายของเรามันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเรียนธรรมะ เดือนใจของตัวเองไปดีนะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยรู้ตัวพรกเามันเริ่มเป็นแล้วล่ะก่อนหน้านี้รู้อย่างว่ามันไม่ใช่กว่าจะใช่ไม่ใช่ง่ายนะหลายปีเราใช่แล้วก็อย่ารักษาไปอย่าไปรักษามันมันมีขึ้นมาก็รู้ มันดับไปก็รู้มีสติอย่างขนาดนี้เริ่มรักษาแล้วไปทำอะไรมาถึงทำได้ดีขนาดนี้เออดีไปทำอีกนะทำอย่างที่ทำนั่นแหละจนกระทั่งจิตมันมีพลังเต็มที่แล้วแล้วออกเดินปัญญา ตันนี้จิตมันยังไม่ค่อยเดินปัญญาดูกใช่ไหมแต่ว่าพลังเรายังไม่เต็มที่ที่เดียวหรอกนะฝึกอีกช่วงหนึง่งพอพลังเต็มที่แล้วมาเดินปัญญานี่น้ำที่เปรี้ยงเดียวเท่านั้นขาดเลยนะไม่ได้ใช้เวลาเยอะอะไรเลยอยู่ที่จิตมันมีพลังไหมแต่หลวงพ่อไม่น่าบอกเราเลยเนะ <laughs> อย่างนี้ยอีกนานเลย <laughs> เอ้าไปกินข้าว นี่หมดแล้วกัน